กรรมถึงลืมก็ต้องชดใช้ทุกคนควรเตรียมใจไว้อย่างไรก็ต้องมีวันได้เจอคนเนรคุณหลายครั้งที่กรรมแสดงตัวแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจึนเคยเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้คุณคนเคยทำร้ายจิตใจพ่อแม่ที่รักและห่วงใยตน เคยยิงยโสกับสิ่งที่ผู้มีพระคุณหยิบยื่นให้เคยลบหลูผู้ให้ความรู้ความคิดดีๆแก่ตนเคยขอความช่วยเหลือเขาแต่ถึงเวลากลับซ้ำเติมเขาและอื่นๆวันหนึ่งเมื่อการเพลดผลก็ต้องได้ลิ้มรสแบบเดียวกันต่อให้ป้อนข้าวป้อนน้าหมากับมือวันหนึ่งมันก็บ้าแดดบ้าลมแหวงกัดเจ้านายตัวเองจมเขียวได้ นี้ว่ากันตรงๆถามกันจริงๆว่าใครบ้างที่เคยอกตันอยูไม่รู้คุณคนมันมีอยู่บางช่วงในชีวิตนี้หรือไม่ก็อาจจะชีวิตก่อนที่คนเราเหมือนเป็นบ้าตาบอดจิตมืดใจพยองไม่เห็นหัวผู้มีพระคุณหรือเกิดความโรกรธเกลียดชังอย่างแรงกระทั่งลบสำนึกถึงบุญคุณออกไปหมดเปลี่ยนจากรักเป็นแค้น อยากทำร้ายทำลายให้มอดไม่กันไปข้างก็ยังได้กรรมถึงลืมก็ต้องชดใช้ทุกคนนั่นแหละที่ควรเตรียมใจไว้อย่างไรก็ต้องมีวันได้เจอคนเนรคุณถึงวันที่กรรมผลสดผลสังสา ร, รวัตจะส่งใครบางคนมาบีบให้คุณรักยังไม่ควรจะรักเอ็นดูยังไม่ควรจะเอ็นดู คุณนึกอยากทำดีกับเขาแต่ทำดีเท่าไรเท่าไรเขาก็ไม่เห็นหัวหรือไม่ก็เห็นคุณเป็นตัวตลกมีหน้าที่คอยตามปรรนบัติไปอย่างไรก็ตามการช่วยคือการช่วยน้อยก็เป็นบุญมากก็เป็นบุญเมื่อช่วยใครให้หวังผลเลิศสุดคือกุศลจิตกับตัวเองและคาดหมายผลร้ายสุดคือถูกเนรคุณ เมื่อคาดหวังอยู่สองอย่างนี้ทุกครั้งไม่คิดอยากรับการตอบแทนดีๆทุกครั้งกระทั่งกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นอารมณ์เบิกบานลอยวางทางใจคุณจะรู้สึกว่าได้ทำบุญใหญ่ทุกครั้งมีใจใหญ่ขึ้นทุกครั้งแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรารู้สึกว่าใจสะอาดขึ้นเรื่อยๆนี่เก่าจะถูกชดใช้หมดไป ดอกผลใหม่จะถูกสร้างขึ้นแทนกันและหากช่วยมากพออย่างไรก็ต้องเจอที่ชื่นใจเพราะโลกไม่ได้มีแต่คนไร้สำนึกวันหนึ่งคุณต้องเจอคนรู้สำนึกเข้าจนได้ไม่หนึ่งในร้อยก็ร้อยในแสน